วันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดทำงานของสัต ธ, ธาญาตโยมสัต ธ, ธาญาณโยมที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็จะไปวัดกันไปวัดเพื่อไปทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน พุทธศาสนาชนนี้ก็เป็นเหมือนกับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องไปโรงเรียนไปมาหาวิทยาลัยเพื่อจะได้ไปเรียนวิชาความรู้ต่างๆเพื่อจะได้เอาวิชาความรู้มาทำประโยชน์ให้แก่ชีวิตของตนพระพุทธศาสนานี้ ก็เป็นเหมือนโรงเรียนเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยที่จะมีความรู้มอบให้แก่พุทธศาสนิกชนแต่พุทธศาสนิกชนก็ต้องทําหน้าที่ของตนคือต้องไปโรงเรียนไปมหาวิทยาลัย ไ, ไปเรียนไปศึกษา ไปทำการบ้านและทำข้อสอบถ้าทำครบทุกอย่างที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้กำหนดเอาไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะได้รับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรตามแต่ระดับของการเรียนของการศึกษา พระพุทธศาสนาก็มีประกาศสเนียบัดประกาศรับรองความรู้ความสามารถของผู้ที่มาเริ่มเรียนมาศึกษาแต่จะรับได้หรือไม่ได้นั้นก็อยู่ที่นักเรียนนักศึกษาว่าจะมีความขยันหมั่นเรียนขยันทําการบ้าน และสามารถทำข้อสอบต่างๆให้ได้ครบบริบูรณ์หรือไม่ถ้าทำได้ครบบริบูรณ์ก็จะได้รับปริญญาบัตรระดับต่างๆตามระดับของการศึกษา พุทธศาสนานี้เป็นสถาบันการศึกษาที่จะสอนให้ผู้ที่มาศึกษาได้พัฒนาจิตใจของตนเองให้ขึ้นสู่ระดับที่สูงระดับที่มีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไปจนถึงระดับสูงสุด คือมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวปราศจากความทุกข์ต่างๆภายในใจดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะรับผลจากพระพุทธศาสนาก็จำเป็นที่จะต้องทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนก็มีอยู่ สามหน้าที่เดวยกันหน้าที่อันแรกคือการศึกษาภาษาบาลีท้นเรียกว่าปริยัติธรรมการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหน้าที่ขั้นที่สองหลังจากที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็ต้องนำเอาคำสอนไปปฏิบัติ เรียกว่าปฏิบัติธรรมข้อที่สองเรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้วพอไดอ้ปฏิบัติก็เปรียบเหมือนกับการที่ได้ทำการบ้านได้ไปทำข้อสอบพอสอบผ่านก็จะได้ผลของการผลสอบสอบได้ก็หรือสอบตกถ้าสอบผ่าน สอบได้ก็จะได้รับปริญญาข้อที่สามนี้เรียกว่าปฏิเวทปฏิเวทธรรมนี่คือหน้าที่ของชาวพุทธเรามีอยู่สามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งต้องไปโรงเรียนไปศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อขั้นที่สอง หลังจากที่ได้ศึกษาแล้วก็ต้องเอาไปทำการบ้านวันนี้มาฟังเทศฟังธรรมนี้เรียกว่ามาศึกษาศึกษาแล้วก็ต้องเอาไปทำการบ้านเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติกับกายวาจาใจแล้วพอปฏิบัติจนสามารถไปทำข้อสอบได้ ก็ไปทำข้อสอบพอทำข้อสอบได้ก็จะได้ปฏิเวทคือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆ น, นี่คือหน้าที่ของชาวพุทธเราถ้าต้องการที่จะรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาจำเป็นจะต้องทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน พุทธศาสนานี่ถ้าจะเปรียบก็เปรียบเหมือนกับาการได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลต่างๆของพระพุทธศาสนาผู้ที่ถูกลอตเตอรี่นี้จาเป็นที่จะต้องเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลผู้ที่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้มีศรัทธา ต่อพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนผู้ที่ได้ถูกลอตเตอรี่ารางวัลต่างๆการที่จะรับรางวัลต่างๆจ า, า, า ก, พกพุทธศาสนาก็ต้องไปขึ้นรางวัลกัน เ, เวลาคนซื้อลอตเตอรี่เวลาถูกลอตเตอรี่ก็จะต้องเอาลอตเตอรี่นั้นไปขึ้นที่สำนักสลาก นะาสำนักงานสลากกินแบ่งเพื่อที่จะได้รับรางวัลหรือรับหรือไปขึ้นกับตัวแทนก็ได้มีตัวแทนที่เขาจะรับเอาไปขึ้นรางวัลให้แต่เขาจะหักค่าใช้จ่ายถ้าไปขึ้นที่สำนักสลากกินแบ่งก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ถูกหักค่าใช้จ่าย อันนี้ก็เหมือนกันการได้มาเกิดเป็นมนุษย์การได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอันนี้เรียกว่าเป็นการถูกลอตเตอรี่ลดถูกลอตเตอรี่เพราะว่าจะได้รับรางวัลจากพระพุทธศาสนาที่ไม่มีที่ไหนที่จะมอบให้ได้คือการหลุดพ้นจาก โลกของการเวียนว่ายตายเกิดที่พวกเรากำลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่มาอย่างต่อเนื่องและจะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นทุกข์เพราะว่าเมื่อเกิดแล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีการแก่ การเจ็บจการตายมีการพัดพลาดจากกันไม่มีใครอยากแก่อยากเจ็บอยากตายอยากพัดพลาดจากกันแต่ก็ไม่มีใครห้ามความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดจากกันได้พอเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตาย เจอความพัดภาคจากกันก็เลยเศร้าโศกเสียใจกันแต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้รับรางวัลจากพระพุทธศาสนาจะสามารถกำจัดการเกิดแก่เจ็บตายได้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการแก่การเจ็บการตายการพัดภากจากกันได้ นี่คือรางวัลของพระพุทธศาสนาที่ผู้ที่ถูกรางวัลถ้าต้องการจะรับรางวัลก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนก็คือปริยัตปฏิบัติปฏิเวชนั่นเองปริปริยัตก็ศึกษาคำพทพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาเสร็จแล้วก็นาเอาไปปฏิบัต ปฏิบัติเสร็จแล้วก็จะได้บรรลุผลผลที่จะได้รับของพระพุทธศาสนานี้ก็แบ่งไว้เป็นสี่ขั้นด้วยกันสี่รางวัลมีรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่รางวัลเริ่มต้นด้วยที่รางวัลที่สี่ถ้าได้รับถูกรางวัลที่สี่นี้การเกิดแก่เจ็บตายนี้จะถูก ลดลงหรือไม่เกินเจ็ดครั้งเป็นอย่างมากผู้ที่ได้รับรางวัลที่สี่นี่ได้รับประกันว่าจะไม่กลับมาเกิดเกินเจ็ดครั้งจะไม่และจะไม่เกิดในอบายโดยเด็ดขาดขั้นที่สี่นี่เราเรียกว่าขั้นโสดาบันรางวัลที่สี่คือขั้นพระโสดาบันผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเน่ จะมีพบชาติหรือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้ายังต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ก็เกิดแก่เจ็บตายไม่เกินเจ็ดชาติก็จะสามารถกําจัดทำลายการเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างหมดสิน้นและการเกิดแต่ละครั้งนี้จะเกิดในสุขคติคกอจะไม่เกิดในอบายไม่ไปเกิด เป็นเดะชาน์เป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือไปตกนรกจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดา น, นี่คือรางวัลที่สี่ของพระพุทธศาสนาถ้าถูกรางวัลที่สาการเกิดแก่เจ็บตายในภพของมนุษย์หรือเทวดานี้ก็จะเหลือเพียงภพเดียวเกิด กลับมาเกิดอีกเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นเองและไม่ต้องไปเกิดในอบายเช่นเดียวกันแล้วถ้าได้รางวัลที่สองเรียกว่าพระอนาคามีที่สเรียกว่าพระสกิดาคามีกลับมาเกิดเพียงอีกหนึ่งครั้งในภพของมนุษย์หรือของเทวดา ถ้าได้ขั้นที่สามหรือรางวัลที่สองนี่คือขั้นของพระอน า, าคามีก็จะไม่กลับมาเกิดในการมาพบเกิดพบของมนุษย์หรือเทวดาอีกต่อไปแต่ยังจะไปเกิดอยู่ในพบของพรหมอยู่และจะดุดพ้นจากพบของพบของพรหมต่อไป พอได้รางวัลที่หนึ่งคือได้ขั้นพระอรหันต์ก็จะหลุดออกจากตายพบอย่างถาวรก้นตนก็ลดการมาเกิดในในการมาพบจากที่จากจำนวนพบชาติที่ไม่มีประมาณนับไม่ได้นับไม่ถ้วนมาเหลือเจดชาตาิถ้าได้รางวัลที่สี่ พอได้รางวัลที่สก็ลดการมาเกิดในการมาพบเหลือหนึ่งหนึ่งชาติ ถ, าถ้าได้รางวัลที่ที่สองได้เป็นพระอนาคามีก็จะไม่กลับมาเกิดในการมาพบอีกต่อไปแต่จะไปเกิดในรูปภพหรืออรูปภพบนแล้วก็จากนั้นพอได้เป็นพระอาหารหันต ก็จะออกจากตายพบอย่างถาวนออกจากการมาพบรูปพบและอรูปพบนี่คือตายพบพบที่ผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุพระอรหันต์จะต้องติดอยู่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนา และมีศรัทธาที่จะศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนาเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติแบบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือสุ ป, ปฏิปันโนอุชุ ป, ปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนี่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ พอปฏิบัติได้ทั้งสี่ลักษณะก็จะได้บรรลุผลเกิดบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆทั้งสี่ขั้นขั้นที่หนึ่งขั้นโสดาบันขั้นที่สองขั้นสกิทาคามีขั้นที่สามขั้นอนาคามีขั้นที่สี่ขั้นอรหันต์ เป็นผลที่จะเกิดจากสุปฏิปันโนคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่คือรางวัลของพระพุทธศาสนาหรือปริญญาของพระพุทธศาสนาที่ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติจะได้รับไม่มีสถาบันการศึกษาที่ไหนในโลกนี้ หรือไม่มีศาสนาใดในโลกนี้ที่จะสอนวิชาเหล่านี้มีพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นที่จะสอนให้ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นผู้ที่ปรารถนาที่จะ ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาจึงจำเป็นจะต้องทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนเหมือนกับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการรับปริญญาต้องการรับประกาศานียบัตรจากสถาบันการศึกษาต่างๆจำเป็นจะต้องทำหน้าที่ของนั ก, นกเรียนนักศึกษาคือต้องไปโรงเรียนไปเข้าห้องเรียน ไปฟังครูสั่งครูสอนแล้วก็เอาไปทำการบ้านกลับบ้านก็เอาไปทำการบ้านแล้วก็เตรียมตัวสอบพอถึงเวลาพร้อมที่จะสอบก็ไปเข้าห้องสอบพอสอบผ่านทุกวิชาตามที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาได้กาหนดให้สอบ ก็จะได้รับประกาศนียบัตรหรือได้รับปริญญาบัตรรับรองวิทยฐานะว่าผู้นี้มีความรู้ความสามารถตามที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาได้กำหนดเอาไว้แล้วสามารถเอาความรู้เหล่านี้ไปทำมาหากินได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันผู้ที่ ปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนได้ก็จะสามารถาหลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไปตามลำดับหลุดพ้นด้วยด้วยปริมาณของภพชาติที่น้อยลงไปตามลำดับาจากปริมาณที่ไม่มีขอบไม่มีเขตเหลือเพียงเจ็ดชาติ เหลือเพียงหนึ่งชาติเหลือเพียงพบที่ต้องอยู่ในรูปภพหรืออุรูปภพแล้วก็ไม่ต้องกลับมาติดอยู่ในไตายภพอีกต่อไปอันนี่คือทําไมชาวพุทธเราจึงต้องมาวัดกันเพราะถ้าเป็นชาวพุทธแล้วไม่มาวัดไม่ทําหน้าที่ของชาวพุทธก็ เป็นเหมือนกับนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ไปทําหน้าที่ของตนถึง แ, แม้จะบอกว่าเรียนอยู่ที่สถาบันการศึกษานั้นเลยหรือศึกษานี้ก็เป็นเพียงแต่ชื่อเท่านั้นเองแต่ไม่มีผลจากการที่ไปเป็นนักเรียนนักศึกษาของสถาบันนั้นมีแต่ชื่อที่ได้แสดงว่าครั้งหนึ่งเคยมาสมัครเรียนอยู่ที่นี่ แต่ถูกคัดออกไปจากสารบบเพราะว่าไม่มาทำหน้าที่ไม่มาเรียนหนังสือไม่มาทำการบ้านไม่มาทำข้อสอบเป็นนักศึกษาก็เป็นเพียงแต่ชื่อแต่ไม่มีตัวของนักศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นยันใดชาวพุทธเราที่นับถือพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน ้านับถือเฉยๆแต่ไม่รู้หน้าที่ไม่ทำหน้าที่ของตนก็ไม่ได้เป็นพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริงเป็นเพียงแต่ชื่ออย่างที่เราเรียกว่าเป็นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเวลาเราจดทะเบียนบ้านเขาจะถามว่านับถือศาสนาอะไร ถ้าเกิดในครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธก็ใส่พุทธเข้าไปแต่ตัวพุธทธศาสนากชนนั้นไม่รู้อยู่ที่ตรงไหนไม่เคยเข้าวัดไม่เคยศึกษาไม่เคยฟังเทศน์ฟังธรรมไม่เคยทำการบ้านไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยบรรลุธรรมจึงไม่ถือว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริง เป็นชาวพุทธที่แท้จริงนี้ต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วก็ปฏิบัติทำการบ้านทำข้อสอบจนบรรลุทำขั้นต่างๆสี่ขั้นด้วยกันขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีขั้นอรหันต์อันนี้แหละถึงจะเรียกว่าเป็นชาวพุทธแท้ ชาวพุทธที่สมบูรณ์การเป็นชาวพุทธแท้ก็ต้องเริ่มต้นด้วยการมาวัดมาเข้าห้องเรียนอพอมาเข้าห้องเรียนนี้ก็เริ่มถือว่าเป็นชาวพุทธแท้แล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ยังต้องอเรียนไปเรื่อยเรืเรียนไปแล้วก็ไปทําการบ้านกลับบ้านก็เอาการบ้านไปทําทําแล้วก็ทําข้อสอบอพอสอบผ่านบรรลุ ทำขั้นต่างๆถึงจะเรียกว่าเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ดังนั้นสิ่งแรกที่พวกเราชาวพุทธต้องทำกันก็มาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมกันนั่นเองอ่ารฟังเทศฟังธรรมเราจะได้รู้ว่าการที่เราจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ ทำอย่างไรพอเรารู้แล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติเอาไปทำการบ้านไปทำข้อสอบตอนต้นเราไปทำการบ้านก่อนซ้อมไว้ก่อนซ้อมก่อนที่เราจะไปทำข้อสอบพอเราพร้อมที่จะไปทำข้อสอบเราก็ไปทำข้อสอบพอทำข้อสอบได้เราก็สอบผ่าน แต่ยังสอบไม่ผ่านก็ต้องกลับมาทำการบ้านเพิ่มเติมกลับมาซ้อมใหม่แล้วก็ลองไปทำข้อสอบใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสอบผ่านนะ อ, อ, อย่างนั้นขั้นต้นนี้เราต้องมาวัดกันมาศึกษาการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นวิธีศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่ง มีหลายวิธีด้วยกันเรื่องของการศึกษาและศึกษาจากใคราการศึกษานี้ก็ต้องศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นถึงจะได้ความรู้แท้ความรู้จริงตอนนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วแต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระพุทธเจ้าจะอยู่ในพระธรรมคำสอน พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจดจําเอามาบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้แหละเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเอตอนก่อนที่พระองค์จะจากโลกนี้ไปได้ทรงตัดไว้ว่าพระธรรมคําสอนของเราที่เราตัดไว้ชอบแล้วนี้แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดา พราะเธอจะมีพระธรรมคําสอนของเราเป็นศาสดาของพวกเธอถ้าเธออยากจะพบกับศาสดาก็ให้ไปพบกับพระธรรมคําสอนเพราะผู้ที่เห็นธรรมจะเป็นผู้ที่เห็นตถาคตคือเห็นพระศาสดราดังนั้นเรายังมีแหล่งที่เราจะศึกษาธรรมะได้อยู่สองแหล่งด้วยกัน คือพระธรรมคําสอนที่ได้มีการจดจําและมีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและอีกแหล่งหนึ่งก็คือพระสงฆ์พระอริยสงสาวกพระสงฆ์นี้มีสองสงฆ์สงฆ์ที่ไม่เป็นอริยะกับสงฆ์ที่เป็นอริย์สงฆ์ที่เป็นปุถุชนนี้ยังไม่ถือว่าเป็นพระอริย์ยังเป็น ย, ยังไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ รู้จริงเห็นจริงถ้าศึกษาจากพระสงฆ์ที่เป็นปุถุชนนี้อาจจะไม่ได้รับความรู้ที่ถูกต้องถ้าไม่ได้รับความรู้ที่ถูกต้องการปฏิบัติก็จะไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับผลที่พึงจะได้รับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะศึกษาจากพระสงฆ์ต้องศึกษาจากพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ที่เราสวดไว้ในสุ ป, ปิในบทสุปฏิปันโนมีอยู่สี่บุคคลด้วยกันคือพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพาาระอรหันต์สี่บุคคลนี้เป็นผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมเป็นผู้ที่สามารถสั่งสอนธรรมะได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ต่างกันตรงที่ระดับความรู้นั้นมีต่างกันคือรู้มากรู้น้อยพระโสดาบันก็รู้น้อยกว่าพระสกิรดาคามีพระสิสกิรดาคามีก็เน้ะรู้น้อยกว่าพระอนาคามีพระอนาคามีก็รู้น้อยกว่าพระอาหารหันต์แต่พระเหล่านี้ท่านจะสอนอย่างถูกต้องวิธีการปฏิบัติที่เราสามารถที่จะ ศึกษาและปฏิบัติและสอนตนเองได้พอเราได้รับความรู้ที่ถูกต้องแล้วเราสามารถนำอาอกไปปฏิบัติต่ายเต้าขึ้นจากขั้นที่หนึ่งที่สองที่สาขึ้นที่สี่ไปได้ตามลำดับพระโสดาบันเดี๋ยวท่านก็จะก้าวขึ้นไปเป็นพระสกิดาคามีพระสกิฎาคามีท่านก็จะศึ ก, ศกษาปฏิบัติ แล้วก็จะขึ้นไปสู่ขั้นอนาคามีพระอนาคามีก็จะขึ้นสู่ขั้นพระอรหันต์พอได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วนี่จะมีความรู้ที่แท้จริงปรากฏขึ้นมาในใจที่จะเป็นเหมือนแสงสว่างแห่งธรรมที่จะพาให้ผู้ปฏิบัตินี้สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มาสั่งสอนก็ได้ ถ้าเป็นพระอาริยบุคคลแล้วนี้สามารถสอนตัวเองได้สอนให้พัฒนาจากขั้นที่หนึ่งสูข่ขั้นที่สองขั้นที่สามและขั้นที่สี่ได้ถ้าไม่มีพระอาริยสงฆ์ที่สูงกว่ามาสอนจะต่างกันก็ตรงที่เร็วหรือช้าถ้าสอนเองนี้อาจจะช้าหน่อยเพราะต้องคำทางไปถ้ามีพระอาริย ที่สูงกว่ามาสอนก็จะไปได้เร็วกว่าเพราะว่าเป็นเหมือนมีคนนำทางแต่ไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งพอได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี้จะก้าวขึ้นไปสู่การเป็นพระอาารันหันพระอันหันตามลำดำับอย่างแน่นอนต่างกันอยู่ที่ช้าหรือเร็ว ถ้ามีพระอหรหันต์คอยสั่งคอยสอนก็จะไปได้เร็วมีพระพุทธเจ้าหรือพระอหรหันต์คอยสั่งไกสอนก็จะไปได้อย่างรวดเร็วถ้าไม่มีก็จะต้องไปอย่างช้าหน่อยคือต้องคลําทางไปแต่ จ, จะไม่หลงทางรู้แล้วว่าทางอยู่ตรงนี้เพียงแต่ว่าเวลาไปเจออุปสรรคของที่ขวางทางอยู่นั้นจะแก้อ ย, อย่างไร อันนี้อาจจะต้องนั่งใช้เวลาคบคิดถ้ามีคนสอนก็จะบอกวิธีแก้อุปสรรคที่ขวางทางได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว น, นี่คือผู้ที่สมควรต่อการศึกษาผู้ที่สมควรต่อการเป็นครูเป็นอาจารย์ถ้าในพระรัตนตรัยตอนนี้เราก็มีสองคือมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ได้จดจําและบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกถ้าศึกษาจากพระไตรปิฎกเนี่จะไม่หลงทางแต่อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าไม่มีใครมาป้อนความรู้ให้กับเราเราต้องอาหาความรู้ในพระไตรปิฎกเอาเองถ้ามีคนป้อนมีคนทํากับข้าวให้มันง่าย ถ้าต้องทำกับข้าวเองนี่มันยากแต่มีเครื่องมือทุกอย่างพร้อมเครื่องมือทำอาหารมีเตามีหม้อมีอาหารชนิดต่างๆที่ยังไม่ได้ผสมปรุงแต่งมีผักมีเนื้อมีอะไรต่างๆแต่ผู้ศึกษาจะต้องเป็นผู้ทำอาหารเอง ถ้าเลียงจากพ่อตายไปดกก็ในลักษณะแบบนั้นในลักษณะแบบผู้ที่รับประทานอาหารจะต้องทําอาหารเองแล้วก็ป้อนตนเองแต่ถ้ามีครูมีอาจารย์เท่านในสมัยพุทธกาลมีพระพุทธเจ้ามีพระอาหารหันตสาวกเป็นผู้สั่งผู้สอนก็เป็นเหมือนผู้ที่ไปนั่งที่ร้านอาหารแล้วก็สั่งอาหารแล้วก็มี คนจัดการทรอาหารที่ต้องการมาให้ตั้งไว้บนโต๊ะให้รับประทานได้ทันทีนี่คือความแตกต่างระหว่างการศึกษาจากพระไตรปิฎกกับการศึกษาจากพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าหรือจากพระพุทธเจ้าโดยตรงจะยากง่ายต่างกันแต่จะไม่หลงทางเหมือนกันจะไปถูกทางไปทางที่ถูก แต่จะช้าหรือจะเร็วจะยากหรือง่ายเท่านั้นที่ต่างกันถ้ามีผู้รู้คอยสั่งคอยสอนนี้ก็จะง่ายและจะเร็วถ้าไม่มีผู้รู้คอยสั่งคอยสอนก็จะช้าและจะยากเพราะต้องค้นคว้าด้วยตนเองต้องแปลความหมายด้วยตนเองว่าคํานี้หมายความว่ายอย่างไรจะต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะถูกกับ คำหมายของคำนี้เช่นการสอนนี้ท่านก็สอนอยู่สามขั้นด้วยกันคือสอนทานศีลภาวนานี่คือธรรมะที่เราต้องปฏิบัติกันถึงจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ต้องทำทานต้องรักษาศีลและต้องภาวนา อีนี้เราอาจจะไม่รู้ว่าทำอย่างไรถึงจะถูกต้องทำทานเท่าไหร่ทำรักษาศีลเท่าไหร่ภาวนาเท่าไหร่จะต้องทำอันไหนก่อนอันไหนหลังเราบางทีถ้าไม่มีคนสอนเราจะไม่รู้แต่ถ้ามีคนสอนเขาก็จะบอกเราว่าต้องทำพร้อมๆกันนั่นแหละทานก็ต้องทำศีลก็ต้องรักษาภาวนาก็ต้องภาวนา อยู่ที่ว่าทำได้มากหรือทำได้น้อยเท่านั้นที่ต่างกันเวลาเริ่มต้นมีกําลังน้อยมีเวลาน้อยก็ทําได้น้อยจึงอาจจะทําทานได้ร้อยละสิบรักษาศีลได้ร้อยละสิบภาวนาได้ร้อยละสิบเราสามารถทําควบคู่กันไปได้ทานศีลภาวนาไม่ได้แยกกันไปพร้อมกันทําทาน เวลามีโอกาสทําทานแล้วก็ทําไปตามกําลังที่เราจะสามารถทําได้บางมีกําลังมากก็ทําได้มากมีกําลังน้อยก็ทําได้น้อยศีลเราก็รักษาควบคู่ไปได้ศีลเราก็รักษาไปจะรักษาได้กี่ข้อได้กี่วันอันนี้ก็เป็นปริมาณของการกระทำภาวนาคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติ ฟังเทศฟังทำเราก็ทําได้จะทํามากหรือทําน้อยก็ขึ้นอยู่กับกําลังของเราและเวลาของเรานี้เองดังนั้นการปฏิบัติเริ่มแรกก็จะต้องเริ่มไปจากน้อยเพราะว่ากําลังมีน้อยเหมือนกับเรียนหนังสือเวลาเรียนหนังสือเริ่มต้นก็ให้เรียนน้อยให้เล่นมากหน่อย เด็ ก, กันุบาลนี้ไม่ค่อยได้เรียนอะไรไปเล่นกันมากกว่าไปโรงเรียนเพื่อไปเล่นกันเพราะว่ากําลังที่จะมาศึกษามาเรียนมันมีกําลังน้อยก็เลยให้เล่นไปก่อนให้เรียนนิดหน่อยแล้วพอปีที่สองก็เพิ่มการเรียนให้มากขึ้นเล่นให้น้อยลงแล้วพอสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปก็จะเรียนมากขึ้นมากขึ้น จนการเล่นนี้อาจจะมีไม่มากเลยหรือไม่มีเลยอันนี้ก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้สรุปมีอยู่สามหัวข้อใหญ่ๆคือทำทานรักษาศีลภาวนาเวลาเริ่มต้นเราก็เริ่มจากน้อยไปหามากตามที่เราสามารถทำได้ เราอาจจะทําทานร้อยละสิบก่อนแล้ว เ, เช่นเรามีแสนหนึ่งล้วก็แบ่งไว้หมื่นหนึ่งสำหรับไว้ทําบุญทําทานต่อปีหนึ่งหรือต่ออะไรก็แล้วแต่ศีลเราอาจจะรักษาได้สองข้อก่อนสามข้อก่อนหรือบางวันก็รักษาได้ห้าข้อบางวันก็ได้สามข้อบางวันก็ได้สองข้อเราก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยๆให้มันได้ห้าข้อ ทุกวันอย่างนี้ถึงจะได้เต็มเต็มเปี่ยมของศีลห้าพอได้ศีลห้าแล้วเราก็ต้องเพิ่มศีลห้าขึ้นไปเป็นศีลแปดศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยยิบเจ็ดต่อไปถ้าเราอยากจะปฏิบัติให้ได้เต็มร้อยเต็มร้อยอยู่ที่ศีลสองรอย่สิบเจ็ดส่วนภาวนาเราก็ภาวนาได้ วันหนึ่งนี้เราอาจจะภาวนา น, นั่งสมาธิกันวันละครึ่งชั่วโมงหรือไม่นั่งเลยอาทิตย์หนึ่งอาจจะนั่งกันสักครั้งหนึ่งอันนี้ก็อยู่ที่กำลังของเราที่เราจะบังคับจิตใจให้มานั่งเฉยๆไม่ให้ไปคิดไปปรุงแต่งไม่ให้ไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ให้ไปมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้อยู่เฉยๆ ให้ทำใจให้สงบเพราะการทำใจให้สงบนี้จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองถ้าเรายังไม่สงบเรายังไปนู่นมานี่อยู่ใจของเราก็จะยังไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าเราสามารถหยุดมันได้ไม่ให้มันไปไหนมาไหนได้มันก็จะไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือเรื่องของการปฏิบัติ ขั้นต้นก็ต้องศึกษาก่อนว่าเราต้องทําอะไรถ้าเราอยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุเป็นพระอาริยบุคคลขั้นต่างๆท่านก็สอนให้เราทําทานรักษาศีลภาวนาตอนต้นเราก็ทําไปทําทานเทละเล็กเทละน้อยก่อนพอเรามีกําลังมากขึ้นเห็นคุณค่าของการทําทานว่าทําให้ใจมีความสุขมากขึ้น มีความอยากน้อยลงก็อาจจะทำเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนอาจจะถึงครบร้อยออวันที่รู้สึกว่าเทวดาจะขอร้องให้พวกเร า, เาต้องปรับเปลี่ยนที่ เ, เทวดามาเชิญแนละ้วต้อง เพราะฉะนั้นก็คิดว่าอาจจะต้องขอพักการแสดงไว้ช่วคราวก่อนไม่รู้ว่าจะแสดงต่อได้หรือไม่เดี๋ยวดูเหตุการณ์ก่อนอาจจะอนุโมทนาให้พรก่อนน ะ, ะยะถ า, าวะเรวะหาตุราปะริปุริเตศกาง เอวเมวะอิโตทินังเปตังอุปการปติอิทิตังปิติตังตุมังคิปเมวะสัมมิจโตสัพเพบุรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยทามนิโชติระโสยทาสัพติโยวิวัจจันโต สัพพโรโควินัตตุมาเตภวะโตอันตราวิสุขีติคายุโกภาอภิวาธนสสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจตารโธรมาวทานติอายุวันโอสุขังภาลั ช่วงต่อไปนี้เราจะลองถามตอบปัญหากันใครมีคำถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้อย่าให้ไมโครโฟนถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษให้ผู้อ่านอ่านให้ก็ได้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ครับผมวันนี้ทางเฟ e บุ๊ k เข้ามาทั้งหมด286แปดหคน y o u t u หนึ่งร้ยสาสิบสองคนวิทยุออนไลน์3าคสิบคนผู้ละฟางบนเขาหนึ่งร้อยสองคนรวมทั้งหมดห้าร้อห้าสิบคนครับผมอ่าดีอ่ามีใครอยากถามก็ยกมือนะจะส่งไมโครโฟนไปให้ถ้ายังไม่ถามก็ให้เอาคำถามทางบ้านก่อน คำถามคำถามจากเ c e บุ o กเจ้าคะ่ะการที่เราบอกคนป่วยที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเราบอกเขาไปว่าไปดีเถิดปล่อยวางนะจะได้ไม่เจ็บร่างกายนี้อีกแล้วคนป่วยก็หมดลมหายใจจากไปจริงๆเป็นการบอกคนป่วยที่ถูกต้องหรือเปล่าเจ้าคะบอกก็บอกได้แต่ก็ทาได้หรือเปล่ามันอีกเรื่องไง เหมือนโค้ดคอยบอกนักมวยให้ชกซ้ายชกขวาแต่มันโดนหมัดจะนั่งมันงงมันก็อาจจะทำตามที่โค้ดบอกไม่ได้อย่างบอกได้แต่ก็จะทำได้หรือไม่ได้มันอีกเรื่องหนึ่งจะทำได้ต้องซ้อมไปก่อนไม่ใช่มาบอกตอนขึ้นเวทีแล้วค่อยบอกวิธีชกนี้ก็มันไม่เคยซ้อมมันจะทำไม่ได้ ฉันต้องบอกตอนแต่ตอนนี้เลยตอนยังแข็งแรงอยู่ อ, อาจปล่อยวางอย่าไปยึดไปติดกับร่างกายแล้ว จ, จะได้ซ้อมปล่อยวางถ้าไม่ซ้อมถึงเวลาให้ปล่อยมันปล่อยไม่ได้หรอกอสามีมีภรรยาน้อยแต่ภรรยาไม่ทุกข์ใจอย่างนี้จะบาปไหมเจ้าคะไม่บาปหรอกีเลยอ สามีบาปแต่เราไม่บาปนะคําำถามจาก y o u t u ู e ค่ะการเข้าฝันทำได้จริงไหมครับอ๋อคนที่ตายไปแล้วถ้าเขาคิดถึงเราเขาก็มาเข้าฝันได้แต่บางทเาาีเราอาจจะคิดถึงเขาเองก็ได้ยัไม่แน่ว่าเป็นของจริงหรือของของปลอม ถ้าเราคิดถึงเขาฝันถึงเขาอันนี้ก็เป็นของปลอมถ้าเขาคิดถึงเราแล้วเขาเข้ามาเยี่ยมเราในฝันก็เป็นของจริงที่จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นของจริงของปลอมก็ต้องให้คนที่เข้ามาเยี่ยมเราบอกความลับอะไรที่เราที่เราไม่รู้ อ, อแล้วให้เราไปพิสูจน์ดูจะบอกเขาเก็บขนมไว้เก็บเงินไว้ในซองจดหมายอยู่ในตู้ตรงนั้นตรงนี้ แล้วถ้าเราไปเจอเข้าเราจะเรียนรู้ว่าอ๋อเขาบอกแสดงว่าของจริงเวลาสวดมนต์ถ้าไม่สวดออกเสียงเทวดาจะมาอ น, อนุโมทนาบุญได้ไหมครับอ๋อเราไม่ได้สวดให้เทวดาเราสวดให้ใจเราสงบไม่ต้องกังวลเรื่องเทวดาจะอนุโมทนาหรือไม่ อ, อย่าไปสนใจกองเชียรนะ์นื นักมวยนี่เวลาชกเขาไม่ฟังกองเชียร์หรอกเขาจะดูแต่คู่ต่อสู้ของเขาเวลาไหว้พระสวดมนต์ก็เพื่อที่จะหยุดกิเลสคู่ต่อสู้ของเรากิเลสที่ชอบคิดชอบอยากได้นูน่นได้นี่เราสวดไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้หยุดไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องเทวดาไม่ต้องกังวลเรื่องออกเสียงอย่าออกเสียงดีกว่าจะได้ไม่รบกวนชาวบ้านของฮะ เด้๋ยวเขาก็ฟ้องแบบตีละครังเนี่ยไหคำถามจากคุณยาตาวีการนอนฟังธรรมจะได้ไหมเจ้าคะได้บุญไหมเจ้าคะแล้วจะบาปไหมเจ้าคะเป็นถ้านอนแล้วเข้าใจก็ไม่บาปได้บุญการฟังธรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ส่วนใหญ่เวลาอยู่ในท่านอนมันจะสบายเกินไปมันจะหลับก่อนที่จะฟังฟังไม่รู้เรื่องมากกว่า คำถามจากคุณสดายุทธถ้าเราไม่มีทรัพย์สินในการทำบุญแล้วแต่เราอนุโมทนาบุญเราจะได้บุญไหมครับได้บุญแต่เป็นคนบุญคนละอย่างบุญอนุโมทนากับบุญให้ให้เงินให้ทองนี้เป็นคนละอย่างเหมือนอาหารคนละชนิดแต่ก็เป็นบุญเหมือนกันทำให้เราสุขใจได้เหมือนกัน ถ้าเราไม่มีเงินทําบุญเราก็ไม่เราก็ทำบุญอย่างอื่นที่ดีกว่าได้คือไปฝึกนั่งสมาธิทำํำใจให้สงบจะได้บุญมากกว่าแล้วไม่ต้องกังวลถ้าไม่มีเงินทําบุญนะดีเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาทําบุญเอาเวลาที่เราจะมาทําบุญไปนั่งสมาธิทแทนไปปฏิบัติธรรมแทนแล้วเราจะได้บุญที่สูงกว่าดีกว่า คำถามหมดแล้วตอนนี้นั่งสมาธิกันเดี๋ยวดีไหมพ่อไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ยไปก็เปียกนั่งก็ไม่รู้จ ะ, ะฟังไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินเียเราลองมาทำบุญอีกแบบกันนี้บุญที่เกิดจากการทำใจให้สงบเนี่ยเป็นบุญที่สูงสุดเนเป็นบุญที่ดีที่สุดเเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้ ชนะความสุขทั้งปวงอ ย, อย่านั่งเฉยๆนะให้ดูลมหรือพุทโทไปถ้านั่งเฉยๆ้วเดี๋ยวมันจะอึดอัดจะฟุ้งซ่านต้องคอยเฝ้าดูลมหรือคอยพุทโทพุทโทไปหรืออย่างใดยอย่างหนึ่งที่เราเคยใช้ก็ใช้มันไปแต่อย่านั่งเฉยๆไม่เป็นไรหรานั่งขัดสมาธิได้นั่งสมาธินั่งขัดสมาธิได้ ตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วก็อาจจะถามตอบปัญหาธรรมกันต่อหรือสำหรับบางท่านถ้าอยากจะลุกอยากจะขยับขยายเคลื่อนย้ายก็เชิญทำได้ตามอัธยาศัยถ้าเรามีคำถามเดี๋ยวเราจะถามต่อเพื่อนต่อไปก็ยังมีเวลาเหลืออยกประมาณสักยี่สิบนาที แต่ถ้าใครนั่งนานๆานไม่ไหวอยากจะลุกอยากจะขยับขยายเคลื่อนย้ายอยากจะกลับบ้านก็กลับได้ไม่ได้บังคับถ้ามีคำถามก็ลองส่งคำถามใหม่เข้ามาต่อคำถามจากคุณศิรกรค่ะกล่าวเรียนถามพระอาจารย์ว่าผู้ปฏิบัติ ที่มีจิตโลดผลเป็นอย่างไรคะเออไ ม, ไม่ไม่ธรรมดาไงในในทางปฏิบัติหมายพวกที่มักจะไปรู้เห็นอะไรพิเศษพวกที่มีตาทิพยูทิพย์พวกระลึกชาติได้นะเดี่า ว, ว่าเป็นพวกผ่าผลพวกธรรมดานี้จะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีตาทิพยูทิพย์ไม่มีอิทธิฤทธิต์ต่างๆไม่ได้ระลึก ช, ชาติได้อนะ แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการหลุดพ้นการไม่มีตาที่ผูทิพการไม่ได้รลลับรสชาตินี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลพวกที่มีความรู้พิเศษนี้อาจจะเป็นอุปสรรคเพราะว่าแทนที่จะไปทําทใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นอุเบกขา ก็มักจะออกไปรู้เรื่องราวต่างๆไปท่องเที่ยวในสวรรค์บ้างในนรกบ้างาก็จะไม่มีอุบเบกขาอุบเบกขานี่เป็นธรรมที่สำคัญต่อการต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่อสู้ต่อการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดงันถ้าไม่มีครูบาอาจารย์พวกที่ผ่าโผนี่อาจจะหลงทางแทนที่จะ นั่งสมาธิให้สงบเป็นอุเบกขาก็ออกไปเที่ยวไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเวลาออกจากสมาธิมาจะไม่มีอุเบกขาติดออกมาพอเจอกิเลสตัณหาก็อาจจะสู้ไม่ได้อย่างพระเทวทัตนี่เป็นตัวอย่างพระเทวทัตนี่ก็เป็นพวกจิตผาดโผนมีฤทธิ์มีทิริก็เลยคิดว่าตนเองเก่ง ก็เลยมีตัณหาความอยากเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าปฏิเสธก็โกรธโกรธก็หยุดความโกรธไม่ได้ก็เลยไปคิดทําร้ายพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันทําบาปอันหนักอย่างยิ่งเลยแทนที่จะไปนิพพานก็เลยไปตกนรกก่อนแต่ถ้าไม่มี ถ้าเป็นจิต ท, ที่นิ่งสงบเป็นอุเบกขาแล้วมักจะสู้กับความอยากสู้กับความโกรธได้อยากก็ไม่ทำตามโกรธก็ไม่ทำตามก็จะไม่ไปทำอะไรให้เสียหายมีแต่จะกำจัดความอยากความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจดังนั้นการมีจิตผ่าผลนี้ต้องระวังถ้ายังไม่บรรลุอย่าพึ่งไปยุ่งกับความรู้พิเศษเหล่านี้ ให้พยายามฝึกจิตให้สงบเป็นอุเบกขาให้นิ่งนานๆแล้วเอาจิตอุเบกขานี้มาทํางานกับปัญญาเอาปัญญามาฆ่ากิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจก่อนเมื่อกิเลสหมดแล้วทีนี้จะเอาความสามารถพิเศษนี้มาใช้ประโยชน์ก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าก็ใช้ในการแสดงธรรมให้กับพวกเทวดาพระพุทธเจ้าก็จิตผ่าทผนเหมือนกัน มีตาทิ่ยูทิพย์ลึกชาติได้สามารถสอนเทวดาได้ <Yeah. S 1> ก็จะเป็นประโยชน์ตอนที่ได้บรรลุได้หลุดพ้นแล้วถ้ายังไม่หลุดพ้นก็จะไปสอนเขาไม่ได้สอนเขาไม่รู้เรื่องสอนไม่เป็นยังั้นพวกที่มีจิตผ่าโผานนี้ถ้าไม่รู้จักวิธีกาจัดหยุดมันก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรู้ความสามารถ ในการที่จะสอนให้เราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับความรู้พิเศษต่างๆให้ดึงจให้เข้าสู่ความสงบให้นิ่งให้เฉยให้เป็นอุเบกขานานๆคําถามจากคุณนพลค่ะฟังเทศเจตนาการฟังเพื่อให้หลับสนิทผิดไหมครับอ๋อมันผิดเจตนาของการฟังเทศการฟังเทศเป็นการศึกษาหาความรู้ ไม่ใช่เป็นยานอนหลับแต่ถ้าจะใช้ปัญญานอนหลับก็ได้แต่จะจะเสียเวลาเสียคุณค่าของธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังเหมือนกับเออเอาเงินไปซื้อของไม่มีคุณค่ามาให้เรานี้มันไม่เกิดประโยชน์ซื่อเอาเงินนี่ไปซื้อของที่มีคุณค่าจะดีกว่าการฟังเทศฟังธรรมนี่ก็เป็น สิ่งที่มีคุณค่ามากเพราะธรรมะจะทำให้เรารู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดไดค้คำถามจากคุณนัฐพันธ์ช่วงนี้บางครั้งรู้สึกเบื่อไปหมดทุกอย่างรอบตัวไม่อยากทำอะไรอยากอยู่เฉย ๆ, น, ๆนิ่งๆเมื่อรู้สึกแบบนี้ก็เลยเลือกที่จะสวดมนต์ แทนนั่งสมาธิกลับทำให้รู้สึกนิ่งกว่าปกติจะผิดปกติไหมเจ้าคะไม่หรอกถ้ามันนิ่งก็ถือว่าใช่ได้นิ่งเท่าไหร่ได้ยิ่งดีใ่ญวิธีที่จะทำให้นิ่งก็แล้วแต่เราอาจจะต้องสลับผัดเปลี่ยนไปบางทีก็นั่งสมาธิไม่นิ่งก็ลองสวดมนดูโวดมนนิ่งก็สสดมนไปจิตเราบางทีมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา บางทีมันต้องเปลี่ยนอาหารให้มันกินกินอาหารซ้ำๆซัซกๆมันก็เบื่อได้ก็อาจจะต้องมีการสลับนั่งสมาธิบ้างสวดมวนต์บ้างเดินจงกรมบ้างแล้วแต่วิธีไหนที่จะทำให้จิตเราเน่งจิตเราสงบก็ใช้วิธีนั้นไปคำถามจากคุณนกแอนน้อยขณะฟังธรรมจะฟังอย่างตั้งใจรู้สึกว่า จะมีสมาธิสติดีและจับมีปิติเป็นระยะระยะบางครั้งมีสภาวะเหมือนการปฏิบัติธรรมเป็นไปได้ไหมเจ้าคะได้เพราะการฟังธรรมนี้ก็เป็นอารมณ์แทนพุทธโธได้เป็นอารมณ์แทนการดูลมหายใจเข้าออกได้ถ้าใจเราตั้งใจฟังก็เหมือนเราตั้งใจดูลมหายใจเข้าออกแล้วมันก็ทำให้ใจนิ่งสงบด้นดีกว่าการดูลม การพุโทโธก็คือได้ความรู้ด้วยได้ความรู้ถ้าดูลมก็จะไม่ได้ความรู้แต่ได้ความสงบคำถามหมดแล้วเหร อ, อ, อการฟังธรรมนี้มีประโยชน์อยู่สองทางด้วยกันถ้าฟังแล้วเข้าใจก็จะได้ปัญญาได้ความรู้ได้ความสงบด้วยควบคู่กันไป ถ้าฟังไม่เข้าใจแต่ยังเกาะยังฟังเสียงธรรมไปเรื่อยๆก็จะได้ความสงบแต่ถ้าไม่ได้ความรู้แต่ข้อสำคัญต้องมีความตั้งใจอยู่กับเสียงธรรมนั้นไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นถ้าปล่อยให้ใจคิดแล้วฟังควบคู่กันไปก็จะฟังไม่รู้เรื่องแล้วจิตก็จะไม่สงบการฟังจึงต้องตั้งใจฟัง ไม่พูดคุยกันไม่ทำอะไรทางร่างกายใจก็ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ตั้งใจอยู่ฟังไปถ้าฟังแล้วรู้เรื่องเข้าใจก็จะได้ความรู้ถ้าไม่ได้ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแต่ฟังเสียงไปเรื่อยๆเสียงธรรมก็จะกล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบได้ได้ไหมมีค่ะพระอาจารย์ การมีบุญวาสนากับครูบาอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งมีจริงหรือไม่เช่นรู้สึกพิเศษกับท่านเกิดจากอะไรเจ้าคะอาจจะมีความสัมพันธ์ในอดีตชาติมาก่อนก็ได้เคยร่วมบุญกันเคยร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาก็เลยมีความปฏิกิริยาที่ดีต่อกันเข้าหากันได้ง่ายท่านก็เย็นดีพบเราเราก็เย็นดีพบท่าน แต่ถ้าไม่เคยมีว่าสนามาก่อนบางทีเราก็กล้ า, ก, ากลัวกลัวไม่กล้าเข้าท่านก็ไม่กล้าเข้าหาเราเหมือนกันเลยเพราะว่ามันความรู้สึกที่มันจะเดึงดูดให้หากันมันไม่มีนันมันมีทั้งบา ร, รมีและมีทั้งก็เรียกว่ากรรมถ้ากรรมเจอกันแล้วก็เบื่อขี้หน้าทันทีเกลียดขี้หน้ากันไม่ชอบกันอางนี้เรียกว่าคู่กรรม ถ้าคู่บุญนะัเจอกันน่าจะยินดีจะดีใจจะมีความสุขเวลาที่ได้พบกันอันนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในอดีตที่เราห้ามไม่ไดม้มันเป็นอย่างนั้นแต่เราสามารถปรับปัจจุบันให้มันเป็นประโยชน์ได้ถ้าเรากล้ากลั ว, ลวเราก็พยายามบังคับใจเราอย่าไปกลัวให้คิดว่าท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านพร้อมที่จะสอนเราเราต้องกล้าเข้าหาท่าน เพราะคนสอนจะไม่กล้ามาหาเราเพราะกลัวเดี๋ยวจะไปบังคับเราคนนี้คนเรียนนี่ต้องเข้าหาคนสอนต้องอยากรู้อยากฟังถ้าจะให้คนสอนมาเรียกมานั่งฟังเดี๋ยวจะคนฟังไม่อยากฟังเ้าจะโกรธเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเรียนรู้อยากจะเข้าใกล้ครูบาอาจารย์เราจะต้องกล้าหารกล้าเข้าหา ไม่มีลเลยมีใครอยากจะถามอะไรไหมมีคำถามส่งไปใส่ข้อความคำถามฝากถามค่ะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะขณะนั่งปฏิบัติเห็นขณะนั่งปฏิบัติอยู่เห็นกายจิตและเวทนาแยกกันคนละส่วนต่างคนต่างทำงาน อย่างนี้เข้าใจถูกไหมคะและควรต้อง พ, พิจารณาอย่างไรต่อเจ้าคะถ้าสามารถแยกกายแยกใจแยกเวทนาจากงนันได้กายก็ปล่อยก็เขานั่งอยู่เฉยๆเวทนาก็ปล่อยให้มันแสดงไปใจก็รู้เฉยๆก็ถูกต้องใจไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับเวทนาก็พยายามฝึกทาให้มันชนานาญ แล้วต่อไปเวลาเจอของจริงดูซิว่าจะทำได้ไหมเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเกิดเหตุการใกล้เป็นใกล้าตายท้าท า, ายต่อความเป็นความตายเราจะแยกมันได้หรือเปล่าออตอนนี้เราเป็นเหมือนทำการบ้านซ้อมไว้ก่อนถ้าเป็นนกมวยตอนนี้ก็ชกกับคู่ซ้อมก่อน เ, ออเพื่อที่จะได้ขึ้นเวทีแล้วไปชกชิงแชมป์กัน ถ้าเราคิดว่าเราพร้อมเราก็ลองไปทดสอบดูลองนั่งนานๆให้มันปล่อยให้มันเจ็บไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรือถ้าอยากจะทดสอบความกลัวความตายก็ลองไปหาที่น่ากลัวดูดูซิว่าเราจะปล่อยให้ร่างกายมันตายได้ไหมถ้ามันถึงเวลาจะตายถ้าปล่อยได้แล้วต่อไปความกลัวตายจะไม่มี จะอยู่อย่างสบายไม่กังวลกับเรื่องความเป็นความตายมีกินก็กินไม่มีกินก็ไม่เดือดร้อนจะทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็จะไม่เดือดร้อนใจ น, นี่คือเป้าหมายของการแยกกายแยกใจแยกเวทนาเพื่อให้รู้ว่าแต่ละอย่างก็เป็นอย่างนั้นมีหน้าที่ต่างกันร่างกายก็มีเป็นดินน้ำลมไฟเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่ง เวท น, นาก็ความรู้สึกที่เกิดเกิดขึ้นยอดดับมาดับไปมีเปลี่ยนไปมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีไม่สุขไม่ทุกข์บ้างเราไปห้ามเขาไม่ได้เขามาเขาไปของเขาใจเราคือใจผู้รู้ก็ให้รู้เฉยๆเหมือนดูหนังดูละครไม่ต้องไปตื่นเต้นกับตัวละครเรามักจะไปตื่นเต้นกับตัวละครเวลา ตัวละครถูกเขายิงบาดเจ็บนี่โหเจ็บไปกับตัวละครเวลาร่างกายเป็นอะไรใจก็ไปเจ็บกับร่างกายเราต้องแยกร่างกายแยกใจออกจากร่างกายให้ได้ให้กายเป็นเพียงแต่ให้ใจเป็นเพียงแต่ผู้รู้เฉยๆเหมือนดูละครดูภาพยนตร์อะไรเกิดขึ้นกับร่างกายมันไม่ได้มาเกิดขึ้นกับคนดูใช่ไอให้ดูอย่างนั้นแล้วต่อไปจะไม่มีความตื่นเต้นตกใจ ่าดเสียวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจะเฉยได้คำถามจากคุณวรชยัยขณะหลับแล้วมีเสียงมาในฝันเช่นเตือนให้นั่งสมาธิเกิดจากอะไรได้บ้างก็าจะเป็นจิตสำนึกของเราที่เรามีความสำนึกว่าเราต้องปฏิบัติทมพอเราไปนอนหลับมันก็เลยเป็นเหมือนนาฬิกาปลุก มาเตือนเราให้ลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรมดีกว่าอย่านอนเป็นหมูเลยนอนไม่เก <c oughs> ิดประโยชน์ปฏิบัติจะได้ประโยชน์มากกว่าเวลาของชีวิตเรามีคุณค่าถ้ามันจะหมดไปเรื่อยๆอย่าให้มันหมดไปกับการกินการนอนมากจนเกินไปกินนอนเพื่อพักผ่อนหลับนอนเพื่อเลี้ยงดูร่างกายก็พอพอร่างกายได้พักผ่อนพอสมควรแล้วก็ควรจะลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรมจะดีกว่า คำถามจากคุณริกกี้ค่ะการถวายอาหารพระภิกษุหรือของใช้จำเป็นแล้วจิตใจไม่สนใจจะรับพรจากพระเพราะคิดว่าไม่จำเป็นเป็นสิ่งที่ผิดปกติไหมกลัวเป็นมิจฉาทิฏฐินะครับอ๋อไม่ผิดหรอกความจริงพรไม่พรนี่ไม่ไม่ไม่สำคัญการให้พรของพระนี่เป็นเพียงแต่การแสดงความยินดีอนุโมทนา ต่อการทำบุญของเราบุญนี้ผลของการทำบุญนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เราถวายของไปแล้วส่วนจะมิพาจะมาสวด้าตาสัพเพหรือไม่นี้มันไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ทำให้บุญมากขึ้นหรือน้อยลงเป็นเพียงประเพณีทำเนียมเหมือนเวลาใครเข้าให้ของเราเราก็ต้องโ อ, อบออกขอบใจเขาแสดงความอะไรไป ก็แบบเดียวกันเวลาญาติโยมมาเข้าของมาถวายพระพระก็ต้องแสดงความยินดีขอบอกขอบใจไปด้วยการสวดยะถาสัพพีทั้งนี้เองแต่ไม่ต้องสวดก็ได้บุญเกิดแล้วจากการที่เราได้เสียสละได้บริจาคของนั้นไปคำถามเพิ่มเติมเรื่องวาสนากับครูบาอาจารย์ถ้าเราได้เจอครูบาอาจารย์แล้ว ยิดเอาท่านเป็นครูบาอาจารย์และทำตามคำสอนทุกอย่างแต่เกิดคำว่าอาจารย์ของฉันอย่างนี้จะบาปไหมคะอันนี้ก็เป็นกิเลสอาจารย์นี้ท่านไม่ได้เป็นของฉันเพียงคนเดียวเป็นอาจารย์ของลูกศิษย์ทุกๆคนยันท่านเราก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์เราก็มาหาท่านเพื่อเรียนรู้เอาความรู้เราไม่ได้มาเอ า, าออตัวท่าน อย่าไปยึดครอบครองตัวท่านเป็นสมบัติของเราเรามาเพื่อเรียนรู้จากท่านท่านเมตตาสอนเราเป็นพิเศษก็ถือว่าบุญแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปไปมาว่าเป็นของเราแล้วห้ามคนอื่นเข้ามาเรียนเข้าคนอื่นแตะไม่ได้อย่างนี้อันนี้มันก็เป็นเรื่องของกิเลสต้องระวังบางทีครูบาอาจารย์ท่านเมตตาบางคนบางคนก็เลยเผลอไปคิดว่าโอ๊ยท่านเป็นของเราบางทีเป็น คนจะคอยปกป้องรักษาท่านซะอีกใครจะมาแต่มหาท่านไม่ได้นะต้องผ่านต้องผ่านลูกศิษย์ก่อนอย่างนี้ไม่ถูกไม่ควรนะอาจารย์นี้เป็นอาจารย์ของทุกๆคนของลูกศิษย์ของทุกๆคนเองแต่ว่าลูกศิษย์แต่ละคนอาจจะกล้าเข้าใกล้มากน้อยต่างกันเท่านั้นเองแต่ท่าน เ, าานเมตตาให้ความสงสารเมตตาให้ความช่วยเหลือให้ความรู้เท่ากันทุกคน ถ้าเขายินดีที่จะศึกษาท่านก็ยินดีที่จะสอนแต่เราอยากไปยึดเนี่แต่กิเลส ข, ของเรามันจะเป็นอย่างนี้พอเราได้อะไรแล้วมักจะยึดจะหวงเป็นของเราขึ้นมาทันทีพอใครไปแตะหน่อยนี้จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีแ้นต้องคอยระมัดระวังคอยหยิกตัวเองด้วยบ่อย่าทําอย่างนี้คําถามจากคุณวันนิพาค่ะการฟังธรรมกับ นั่งภาวนาดูลมไปพร้อมๆกันได้หรือเปล่าเจ้คะมันจะสับมันจะปนกันไงกว่าจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่าถ้าจะดูลมก็ดูลมไปถ้าฟังธรรมก็ฟังธรรมไปถ้าทําทั้งสองอย่างจิตมันจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปที่ลมวิ่งไปที่ธรรมมันก็จะไม่นิ่งมันไม่สงบการฟังธรรมนี้จะนิ่งมันต้องอยู่เรื่องเดียวอยู่จุดเดียว พุโทโธก็พุโทโธไปอย่างเดียวดูลมก็ดูลมอย่างเดียวฟังธรรมก็ฟังธรรมอย่างเดียวจิตถึงจะนิ่งจะสงบได้เต็มที่หมดไหมยังอีกสองคำถาม อ, าอีกสองคำถามคำถามจากคุณพีโกเราสามารถเปลี่ยนตัวสังขารให้คิดเรื่องดีได้ไหมครับเปลี่ยนได้ก็ดีสิแต่ส่วนใหญ่นิสัยเรามันคอยคิดอย่างไรมันก็จะคิดอย่างนั้น ที่มาบวชมาปฏิบัติก็เพื่อมาเปลี่ยนสังขารความคิดนให้คิดเปลี่ยนจากเดิมมาเป็นของดีเคยคิดทำบาปก็ให้ละบาปให้คิดละบาปไม่เคยคิดทำบุญก็คิดสอนให้ทำบุญให้คิดทำบุญไม่เคยคิดหยุดความโลภความโกรธความหลงก็ต้องมาหัดคิดหยุดความโลภความโกรธความหลงนี่การปฏิบัติก็เพื่อมาเปลี่ยนความคิดจากความคิดที่ไม่ดีมาให้คิด ในความคิดที่ดียะควบคุมความคิดได้ก็ต้องมีสติก่อนจึงต้องฝึกสติฝึกสติหยุดความคิดก่อนถ้าเราหยุดความคิดได้แล้วเราก็จะเปลี่ยนความคิดได้เหมือนกับเราขับรถยนต์ถ้าเราอยากจะกลับรถเราไปผิดทางเรากำลังไปทางนึงเราต้องไปอีกทางหนึง่งเราก็ต้องหยุดรถก่อนเบรกลอดก่อนยุดเบรคแล้วก็เลี้ยวบังคับรถให้วิ่งไปอีกทางหนึง่ง จิตเราความคิดเราก็เป็นเหมือนรถตอนนี้มันจะคิดไปในการวนเวียนอยู่ในวงเวียนเวียนอยู่ในตายพบเวียนว่ายตายเกิดตามความโลภความโกรธความหลงเราก็ต้องมาหยุดมันแล้วก็ให้มันขับออกจากวงเวียนอันนี้ต้องใช้สติใช้ปัญญาถึงจะสามารถที่จะเปลี่ยนความคิดได้เอาคำถามสุดท้ายนะคำถามจากคุณชวนการฟ้องร้องทางศาลถ้าศาลตัดสินความผิด คู่กรณีต้องติดคุกถือว่าสารบาปหรือผู้ฟ้องสารบาปกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะไม่บาปทั้งนั้นแหละมันเป็นเรื่องของความถูกต้องเ ร, อเราไปทําผิดเราก็ต้องไปรับโทษเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าโทษถ้าไม่ถึงถ้าถึงโทษประหารนี่ก็จะเรียกว่าบาปได้เพราะว่ายังเป็นการฆ่าอยู่ดะงนั้นถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ให้จําคุกตลอดชีวิตก็แล้วกันเอ อย่างนี้ไม่บาปเพียงแต่กักขังไว้ไม่ให้ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นต่อไปแต่ไม่จำเป็น จ, จะต้องไปประหานชีวิตเขาเพราะการปาหานชีวิตนี้ก็ยังถือว่าเป็นการฆ่าอยู่นะเอาละนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิพพจิตรณาไปปฏิบัติ